ครั้งที่แล้วมีประเด็ดนนี้ที่มองว่าเรายังไม่สามารถที่จะเก็บเป็นประเด็นไว้ใช้ในชีวิตของพวกเราได้อีกหลายๆคนอยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยชี้ประเด็นนะคะว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยค่ะเราจะปิดตาพ่อแม่ของเราอย่างไรด้วยท้ายคำอย่างไรด้วยเนื้อหาอย่างไรในเวลาที่กระชับสั้นข อ, อนุญาต อาจารย์เ <c oughs> จริญพรยอดโยมยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2 5 3 0นานเกินไปไหมเนี่ยอาตมาก่อนที่จะบวชเป็นสัมมนเนยเนาะก็ได้มีโอกาสได้เป็นคราวาดก่อนบวชนะไม่รู้ใครเป็นเหมือนอาตมาหรือเปล่าก็ได้มีโอกาสไปเลี้ยงควายกับเขาด้วย นะที่ขอนแก่นแล้วก็มีแฟนกับเขาคนหนึ่งต้องการอยากจะเอาใจแฟนก็เลยไปขึ้นต้นไม้นะไปเก็บไอ้ลูกตะขบลูกตะขบนะแล้วไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยมันเป็นต้นที่เป๋ะมากเวลาขึ้นไป เราก็อยากจะแสดงให้แฟนเห็นว่าเราในเก่งก็เลยยืนปล่อยมือแล้วก็เก็บแล้วมันก็หักโยนพอมันหักเราก็เหมือนซุปเปอร์แมนเลยซุปเปอร์แมนปีกหักแล้วก็เอามือลงะมือลงทั้งสองข้าง แล้วก็หน้าลงด้ว ย, อยพอมือมันลงแล้วสองข้างก็หักทั้งสองแล้วก็หน้าลงก็ไปแถบหนึ่งอยู่เละไปแถบหนึ่งแฟนก็ตกใจวิ่งหนีอยู่แล้วก็มี เ, เพื่อนรุ่นพี่เขาตัวใหญ่มากเขาก็แบกเราแบกเราไปที่บ้านกว่าจะถึงที่บ้านประมาณสิบกว่ากิโลเขาแบกเราไป เสร็จแล้วในสมัยนั้นเนี่ยสองพันร้อยสามสิบที่นี่เจริญแล้วแต่ที่นั่นมันยังไม่เจริญอยู่ที่ขอนแก่นนะต้องรอรถแล้วรถมันมีคันเดียวทั้งหมู่บ้านนะโยมต้องรอประมาณสักสองสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแต่บังเอิญวันนั้นน่ะติดธุระอีก <c oughs> ครึ่งวันกว่าจะมาแล้วกว่าจะไปโรงพยาบาลได้ เด็กอายุสิบสองปีอยู่ไม่มีข้อมูลเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอยู่สิบสองแล้วตอนนั้นนะมีแฟนแล้วอยู่แล้วมันไม่มีข้อมูลเลย ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็สลบแล้วสลบอีกอยมเพราะแขนมันหักกระดูกมันทะลุขึ้นมาออกนอกเนื้อในโยงมีโอกาสตายได้ตลอดเวลาถ้าหัวใจวายตอนนั้นกับตอนนี้โยมกับอาตมาต่างกันตอนนั้นอาตมาไม่มีข้อมูล แต่ตอนนี้โยมีข้อมูลแล้วนะถือว่ามีข้อมูลแล้วตอนนั้นเด็กคนนั้นถ้าตายไปตอนนี้มันตายแล้วแหละเด็กคนนั้นตายไปแล้วตายใช่ไหมโยมตายอ่งยังเหรอเอาเด็กตายไปแล้วเอาเรียนเรื่องจิตมาแล้วไม่ใช่เหรอจิตเกิดดับไปแล้วเด็กคนนั้นตายไปแล้ว แต่ได้คนใหม่ขึ้นมาด้วยจิตที่สืบต่อกันมาได้คนใหม่ขึ้นมาเด็กคนนั้นจากไม่มีข้อมูลเลยทำให้ล่าช้าไปนะจากการบวชสามมเนนไปอีกสามเดือนรอจนแผลหายแล้วก็ได้บวชเป็นสามมเนนถือว่าบุญนะบุญบุญมาช่วยอุดหนุนภายหลัง ดังนั้นโยมไม่ใช่เด็กคนนั้นโยมมีความรู้มากกว่านั้นดังนั้นไอเวลาที่มันมีเกิดเหตุการณ์ต่างๆมาอาตมาคิดว่าโยมจะมีข้อมูลไปใช้ในวันนั้นแน่นอนวันที่เจ็บปวดวันที่ทรมานวันสุดท้ายที่จะมาถึงเมื่อสามวันที่แล้วอาตมาได้มีโอกาสได้ไปให้ข้อมูลกับ ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเขาโทรมาตอนเที่ยงคืนนิมนต์ตอนเที่ยงคืนอยู่บอกว่าคนไข้เหลือแปดสิบแล้วความดันให้มาหน่อยน่ะถ้ามาก็มีโอกาสได้ไปนะแล้วก็ได้ไปคุยกันแต่ไปตอนเช้านะโยมเพราะเที่ยงคืนไม่อยากไปแล้ว ไปตอนเช้าก็มีโอกาสได้ไปให้ข้อมูลโนะยมายายคนนั้นชื่อว่ายายรัต ด, ดานะอาจจะตรงกับคนในที่นี้เนาะยายรั ด, ดาเนี่ยเป็นคนที่เข้าวัดเป็นประจำป่วยเป็นโรคมะเร็งที่หลอดลมหลอดลมเป็นระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกว่า อีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันญาติก็เลยตัดสินใจให้นิมนต์พระบอกพยาบาลให้นิมนต์พระก็เลยไปก็ไปให้ข้อมูลนะซึ่งคนไข้เนี่ยก็ขยับเนื้อขยับตัวแทบไม่ได้แล้วแต่ปากขยับได้ ขยับได้ไปถึงก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงเลยัยอ่ยายยังมีความรู้สึกไหมอาตมาเรียกแม่แม่รัดดายังมีความรู้สึกอยู่ไหมก็บอกว่ามียังขยับปากได้อยู่ก็เลยให้สวดอิติปิโสก่อนเลยอ่า ก็ประนมมือนะยกยกมือยกก็จะไม่มีแรงแล้วญาติก็ต้องจับมือให้ปนมมือแล้วก็ขยับปากขยับปากอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธว่าได้หมดเลยจนจบเพราะว่าจบแล้วก็ไอไอขึ้นมาเพราะว่าหมดแรงไอไม่ไหวแล้วสวดต่อไม่ได้แล้วอัตมาก็เลยต้องสวดคนเดียวนะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้ข้อมูลต่างๆให้นึกถึงว่ายายรดาเนี่ยโยมแม่รดาเนี่ยเคยทําบุญที่ไหนบ้างทราบว่าเคยทําบุญเป็นประจำนะเพราะบ้านอยู่ใกล้วัดนะบ้านอยู่ใกล้วัดให้นึกถึงการที่ไปวัดทุกวันตัวเองใส่บาตรทุกวันด้วยใส่บาตรทุกวัน มีกระถินมีผ้าป่าที่ไหนก็ไปก็ทำให้นึกถึงให้นึกถึงตรงนั้นแต่เสริมไปอีกนะเสริมให้ยายละ ด, ดาไปอีกว่าตอนนั้นที่ทำเนี่ยเราได้ถวายแค่พระภิกษุเท่านั้นให้ยายเพิ่มไปอีกว่ า, าให้พระนั้นเป็นตัวแทนของสง โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ยายคิดเพิ่มไปอีกายายก็หลับตาไม่รู้คิดหรือเปล่านะแต่มาไม่ทราบแต่บอกข้อมูลไปอย่างนี้แล้วก็บอกข้อมูลไปอีกว่าวัตถุต่างๆที่ยายให้ยายได้ทำดีแล้วได้ยายได้ได้บารุง บิดามารดาได้ให้ลูกได้ให้ภรรยาสามีอได้ให้สามีได้ให้ลูกได้ให้ญาติต่างๆได้ให้พระภิกษสุสามเณรยายได้ทําไว้ดีแล้วยายได้ฝังทรัพย์นั้นไว้ดีแล้วซึ่งวัตถุต่างๆเนี่ยยายอย่าไปเสียดายนะเพราะว่าวัตถุต่างๆมันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะไง แล้วโลภะมันก็เป็นเหตุนำมาซึ่งซึ่งอะไรโยมทิฏฐิกับมานะ่าดังนั้นเมื่อยายสละไปได้ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยชื่อว่ายายกำลังทำอะไรกำลังสละกิเลสไปจากใจยายกาลังสละกิเลสไปจากใจยายเริ่มมีหน้าตาสดใสขึ้นมาบ้าง อาตมาสังเกตแล้วก็เดาเ อ, าเองเสร็จแล้วก็ให้ยายคิดต่อไปว่าผู้รับของยายเนี่ยไม่ใช่พระภิกษุรูปเดียวแล้วนะแต่เป็นหมู่สงฆ์ทั่วจักรวาลเลยโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยผู้รับของยายบริสุทธิ์แล้วยายกำจัดโทสะได้เลยยาย ผู้รับของยายบริสุทธนะิ์น่ะยายกำจัดโทสะได้พร้อมทั้งบริวารของโทสะด้วยยายก็กําจัดได้หมดมีอะไรบ้างโยมมีอิ ส, สามาฉริยะและกุกุจญายายทําลาย2 ส, ส่วนแล้วนัเนี่ยที่ยายให้ทานไปทุกวันทุกวันเนี่ยให้ข้อมูลยายไปยายทําลายไป2 ส, ส่วนแล้วส่วนโลภะและ ลูกน้องเขาส่วนโทสะและลูกน้องเขาตมาก็เลยพูดต่อไปอีกว่ายายรู้ไหมสิ่งที่ยายให้ไปเนี่ยผลของมันมากมายมหาศาลเลยนะถ้ายายให้ข้าวไปนะผลของมันก็คือ ยายจะได้อายุวั น, นาสุขาพละปฏิพานให้น้ำไปจะเป็นเครื่องกาจัดความกระหายคือเกลเลทให้ผ้าจะทำให้ยายมีผิวพันผ่องใสแล้วยังได้เครื่องประดับคือฮิลิโอตปะอีกฮิลิโอตปะเป็นเหตุให้ได้ศีลนยนะศีลนะความไม่เดือดร้อนใจ ปราโมดปีติปสัสสธิความสุขสมาธิยะถาภูตยานศัสนะและไล่ไปจนถึงวีมุตต์นั่น่ะถ้ายายตอบอาตมาได้นะยายคงบอกว่าหือช่างเป็นบุญหูยายเหลือเกินที่มีโอกาสได้ฟังอย่างนี้ยายรู้เหตุรู้ผล รู้เหตุรู้ผลว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ถ้าให้ด้วยศรัทธาถ้าให้ด้วยศรัทธาจะทำให้มีผิวพรรณผ่องใสเป็นที่น่าเลื่อมใสของคนอื่นถ้าให้ด้วยความเคารพจะมีคนเชื่อฟังบุตรภรรยาสามีลูกหลานบริวารเชื่อฟังถ้าให้ถูกการถูกเวลาเหมาะสมก็ทำให้เรามี ความบริบูรณ์ทั้งสามวัยทั้งปฐมวัยมัทิวามัทิม ะ, มะวัยปัติมวัยถ้าให้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์ให้สละขาดจะทำให้เราสามารถบริหารทรัพย์ที่เรามีอยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถบริหารได้น่ะว่าจะเอาไปทำอะไรไปทำบุญที่ไหนไปสร้างบุญที่ไหนจะทำประโยชน์อย่างไรถ้าให้ไม่กระทบไม่กระทบตนและผู้อื่นก็จะทำให้ทรัพย์สินนั้นปลอดภยัย ไม่ถูกจลภัยไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกน้ำท่วมไม่ถูกลมพัดไปไม่ถูกโจร ล, ลักไปไม่ถูกขโมยขโมยไปไม่ถูกบุตรที่ไม่เป็นที่รักเอาไปให้ข้อมูลยายไปยายบอกยายบอกโอ้โหไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนแต่แตมาคิดเอา ยายรู้สึกดีขึ้นเพราะรู้เหตุรู้ผลในการให้ที่ผ่านมายายไม่รู้อ่ะยายไม่รู้เหตุไม่รู้ผลยายเลยไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิแต่วันนี้ยายรู้แล้วยายมีปัญญาแล้วยายมีปัญญาพร้อมกับทําลายโมหะเลยไหมโยมทําลายโมหะเลยพร้อมกับลูกน้องมันอีกคืออหิริกาโนตปะอุทาจะ สรุปแล้วที่ทามาทั้งหมดเนี่ยยายทำลายอะไรไปบ้างอาตมาไม่กล้าถามกลัวหัวใจวายยายตอบไม่ได้แล้วหมดแรงตั้งแต่สวดจบอิติปิโสอะแต่สรุปแล้วทีน้ำมิทั ก, ก็ถูกทำลายด้วยไหมโ ย, ยงเพราะมันเกิดกับโลภะกับโทสะวิจิกิจชาเกิดกับ โมหะถูกทำลายหมดเลยไหมเนี่ยถ้าทำถูกนะทำถูกกําจัดกิเลสแน่นอนแล้วที่สําคัญเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องกับคนตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับสัตว์ตลอดเวลาอยู่คนเดียวยังเกี่ยวข้องไมไหมองยังเกี่ยวอยู่จนนั่นแหละ ถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าก็ยังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเราเกี่ยวข้องหมดเลยดังนั้นเดินทานได้ตลอดเลยไ้ยบูชาได้ตลอดเลยไ้มแล้วท้วันสุดท้ายมาถึงหรือเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆจะนึกไม่ได้เฉยเหรอขนาดยายยังนึกได้เลยยายไม่มีข้อมูลเลยนะยังนึกได้แล้วเรามีข้อมูลยมเราเรามีข้อมูลนะ ดังนั้นไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะโยมเนาะขอโมทนากระย่ายรัต ด, ดาทั้งหลายในห้องนี้ด้วยนะคะค่ะเราก็สมมุติตนเป็นผู้ฟังก็คือคุณยายรัต ด, ดา